ผู้ฟังคนเรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้เนะะี่ยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากคุณต้นนะคะแฟนรายการพระเจอผีใน YouTube ค่ะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ที่ช่องรายการมีผู้ติดตามได้ประมาณร้อยกว่าคนกราบขอบพระคุณพี่ต้นด้วยนะคะวันนี้พี่ต้นมีเรื่องที่ได้พบเจอกับวิญญาณเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กค่ะเรียนอยู่ป .4 แต่ว่าเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจนตอนอายุ30ปีเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคะ คุณต้นเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อตอนเด็กๆนั้นพ่อก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่ที่หลังตลาดแห่งหนึ่งในย่านสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวมันเริ่มต้นตอนที่คุณต้นเรียนน่าจะอยู่ที่ป .4 หลังเลิกเรียนก็ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนแถวนั้นนะคะก็ซุกซนกันตามปกติประมาณ 4- ีห้าคนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านเชา่าซอยเล็กๆซอยหนึ่งเวลานั้นเป็นเวลามืดค่ําพอดีก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะต่างจังหวัดนี้น่าจะมืดแล้วเนาะ ในขณะที่กำลังเล่นกันกับเพื่อนๆอยู่บนถนนหน้าบ้านตอนนั้นบริเวณนั้นก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านร้างที่กลุ่มบรรดาเพื่อนๆแล้วก็คุณต้นเองก็คุ้นชินนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่พ่ อ, อาพามาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก็มองเห็นบ้านร้างหลังนี้อยู่แล้วแล้วก็ในขณะที่คุณต้นแล้วก็เพื่อน ๆ, ร, นๆรุ่นราวคราวเดียวกันนั้นกำลังวิ่งเล่นกันตามประษาเด็กๆเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็จำไม่ได้ ก็เพื่อนในกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้หยุดชะงักการวิ่งอันแสนสนุกพร้อมๆกันก็หยุดพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าสายตาของทุกๆคนนั้นเนี่ยได้ไปจับจ้องที่หน้าต่างบ้านร้างแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีกลุ่มควันสีขาวค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าต่างของบ้านร้างตอนแรกเนี่ยก็เป็นกลุ่มควันจางๆแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เวลาไม่เกินสิวินะคะ ภาพกลุ่มควันก็ปรากฏชัดเจนต่อหน้าต่อตาเด็ก 4-5 คนสิ่งที่รู้สึกได้ในตอนนั้นก็คือกลุ่มควันได้รวมกลุ่มกันเป็นรูปร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้หญิงค่ะไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาหรือปากแต่ว่าเขายืนอยู่ เห็นเพียงครู่ครู่เดียวแล้วก็ครึ่งตัวตรงหน้าต่างบ้านร้างนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใบหน้าบนกลุ่มควันนั้นแต่ว่าตัวของคุณต้นเองก็รู้สึกได้ทันทีว่ากำลังมองมาที่คุณต้นแล้วก็ยิ้มให้กับคุณต้นแน่ๆทันใดนั้นค่ะป่าก็บอก ผีหลอกทันทีเลยพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นมนุษย์เด็กเนี่ยนะคะวิ่งกรูกันค่ะแต่มันก็แน่นอนละคะ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าผีหลอกแต่พวกผู้ใหญ่เขาก็ต้องไม่เชื่อกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเด็กๆนะคะเนาะต่อจากนั้นสักพักหนึ่งคุณต้นก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกให้ไปกินข้าวการที่จะกลับไปบ้านเช้าเนี่ยก็ต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็ต้องผ่านบ้านร้างหลังนั้นด้วยแหมเหตุการณ์เพิ่งเกิดสดๆดร้อนๆใครมันจะไปผ่านตรงนั้นอีกละคะ บ้านอยู่ข้างๆบ้านเพื่อนแท้ๆมีแค่รั้วสังกสีกัน้นแต่ต้องเดินอ้อมไปข้างหลังซอยเพื่อจะมาทะลุอีกซอยหนึ่งแล้วก็กลับไปบ้านทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ในคืนเดียวกันนั้นค่ะตัวของคุณต้นก็ได้สัมผัสถึงคําว่าผีอำเป็นครั้งแรกในขณะทีะ่นอนหลับอยู่กับพ่อเนี่ยซึ่งตัวของคุณต้นเองก็นอนติดหน้าต่าง ตอนนั้นเวลาดึกดื่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะตัวคุณต้นเองแต่ที่รู้ก็คือลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนมันคุยกันเจ๊จอดจ่า อ, อ, อ, อยู่ที่หน้าต่างติดติดกันกับที่บริเวณที่คุณต้นนอนสิ่งที่มองเห็นค่ะก็คือรูปร่างของคน3คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงแน่ๆอีกสองร่างเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกาลังคุยกันร่างที่ คุยกันที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ชี้มาทางคุณต้นที่กำลังนอนอยู่แล้วก็หันไปคุยกันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างแต่ก็คงเป็นเรื่องที่คุยค่อนข้างสนุกสนานเน่นะคะเพราะว่าคุณต้นเองก็ได้ยินแล้วก็เห็นว่า3ามร่างนั้นคุยไปหัวเราะไปเหตุการณ์มันก็ดำเนินกันไปตามสูตรของคนที่โดนผีอัมค่ะคือพยายามที่จะร้องเรียกพ่อแต่ร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียง ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีแม้แต่เสียงเล็ดลอดออกมาจากลําคอให้พ่อได้ยินเลยร่างกายทุกส่วนยกเว้นดวงตาค่ะไม่สามารถขยับได้คุณต้นทนอยู่ในความน่ากลัวตรงนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กนะคะการจะมีสตินึกถึงบทสวดมนต์อะไรสักบทมั น, ม, นมันไม่มีอยู่ในหัวสมองของเด็กคนนึงแน่นอนที่กาลังกลัวด้วยยิ่งแล้วใหญ่กาลังแหกปากเรเียกร้องให้พ่อเนี่ยช่วยแต่ไม่มีเสียงหลุดลอดออกมาเลย คุณต้นหลุดออกมาจากความฝันเมื่อไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนตื่นขึ้นมามันก็สว่างไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหตุการณ์คล้ายๆกันค่ะโดนผีอัมที่คุณต้นเจอเนี่ย ดำเนินมาถึง3คืนติดต่อแต่ว่าคุณต้นเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่โดนอัมให้คุณพ่อฟังแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ากลัวว่าพ่อจะไม่เชื่อก็เลยเก็บเรื่องของฝันร้าย3วันโดยที่ไม่ได้บอกใครหลังจากผ่านค่ำคืนที่3นะค ะ, ะคุณต้นก็ตัวร้อนเป็นไข้ยอย่างหนักแล้วก็ตามมาด้วยอีสุขอิสยัยหลังเหตุการณ์ที่โดนอัม คุณต้นเองก็ไม่สบายเกือบตลอดทั้งเดือนและเหตุการณ์ทั้งหมดก็ผ่านไปผ่านไปกี่ปีจําไม่ได้เหมือนกันบ้านร้างหลังนั้นก็ได้ถูกทุบทิ้งไปเหลือเพียงที่ดินว่างเปล่าค่ะแล้วก็คุณต้นกับพ่อก็ได้ย้ายออกจากบ้านเช่ามาอยู่บ้านที่พ่อปลูกด้วยน้ําพักน้ําแรงของพ่อเองนี่คือเรื่องราวเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวกันนี้มันจะเริ่มอีกครั้งประมาณ20ปีค่ะหลังจากที่ได้ย้ายออกจากบ้านเช่า คุณต้นฝากทิ้งท้ายนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นยังเหลืออีกครื่องหลังที่จะเจอมาอีกนะคะเอาไว้โอกาสหน้าคุณต้นบอกจะพิมพ์มาบอกเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งเรื่องจริงโดยต้นจิโกโร่นะคะแล้วก็มีปลอ้วยนะอ๋อคงขอให้ชื่อเรื่องครึ่งแรกนี้ว่าแอบชอบเด็กก็ไม่บอกอืมโอเคเดี๋ยวจัดให้มาหลอกกันทําไมยาวไปนะเหมือนชื่อเพลงตากแตนจนดาอย่างไงก็ไม่รู้นะคะขอบคุณคุณต้นด้วยค่ะ ทีนี้มีเรื่องเล่าจากแฟนเพจพระเจอผีนะคะที่ส่งกันเข้ามาทาง Facebook ด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องของเสือพรานพระนามว่ารพินไพรวันค่ะขอบพระคุณมากๆเลยอันนี้น่าจะบวชอยู่นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงหลว ง, หลวงพ่อนะคะมากๆเลยที่ส่งเรื่องราวเหล่านี้มาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเนื้อความที่ส่งมาเมื่อวันพารหัสบดีนะคะเวลา22นาฬิก35นาทีบอกว่าอาตมามีประสบการณ์จะมาฝากเรื่องนี้ได้รับฟังจากพระอาจารย์ตอนที่ยังเป็นสา ม, มนเณรภาคฤดูด อของพวกกระผมเป็นเนรรุ่นพี่พอเอาน้องเนนเข้านอนเสร็จพวกกระผมก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันพอดีพระอาจารย์ท่านเดินมาตรวจความเรียบร้อยท่านเห็นพวกกระผมยังไม่นอนท่านก็เลยเดินเข้ามาบอกให้พวกผมไปนอนแต่ว่าตอนนั้นพวกผมเองก็ยังไม่ง่วงก็เลยชวนพระอาจารย์คุยก็เป็นธรรมดาที่เห็นพระก็จะนึกถึงเรื่องผีก็เลยถามท่านพระอาจารย์ว่าเคยเห็นผีไหมครับท่านก็เลยตัดบทไปว่าถ้าจะเล่าให้ฟังก็ต้องเข้านอนนะ พวกผมก็เลยรับปากอย่างพร้อมเพรียงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรค่ะที่อําเภอเลิงนกทาซึ่งตอนนั้นตัวของพระอาจารย์ก็ยังเป็นพระที่ยังไม่แก่พรรษายังเป็นพระลูกวัดในวัดบ้านนอกนะคะหรือ ว, ว่าวัดต่างจังหวัดก็จะขออธิบายบริเวณวัดเนี่ยจะเป็นกลางทุ่งนาจะมีป่าบ้างเป็นบางพื้นที่กุฏิสร้างหากห่าง ก, กันนะคะเพื่อจะปฏิบัติธรรมได้สะดวกซึ่งตอนนั้นท่านจําได้ว่าจําจวัดอยู่กุฏิใหม่ แล้วก็จะเป็นกระจกด้านหน้าเป็นบานเลื่อนแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นสังกะสีเหล็กนะคะแล้วก็จะมีสังกะสีโปร่ปรงแสงแซมอยู่เพื่อให้แสงสว่างเวลากลางวันค่ะขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆตัวของพระอาจารย์เองเนี่ย ก, กำลังนั่งสมาธิก็ได้ยินเสียงของสัมมนเนรร้องมาแต่ไกลช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยผีหลอก ตอมาเสียงเคาะก็ดังขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยรีบไปเปิดสอบถามสา ม, มนเณนรพอคร่าวๆจับใจความได้ว่าตอนที่เนร เ, เนี่ยกำลังออกมาถ่ายปัสสาวะได้เห็นดวงไฟประหลาดลอยใกล้เข้ามาก็เลยร้องเรียกเรียกพื่อนๆนนมาดูดวงไฟดวงนั้นที่ลอยเข้ามาใกลเ้เรื่อยๆเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งมาหาพระอาจารย์นี่แหละพระอาจารย์เลยบอกพวกน้องเนนให้เข้ามาในกุฏิก่อนช่วงนั้นเป็นคืนเดือนเพนพระจันทร์สว่างมองออกไปจากกุฏิผ่านกระจกเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนค่ะ ไม่กี่นาทีต่อมาดวงไฟประหลาดก็ลอยมาทางหน้ากุฏิของพระอาจารย์ขนาดนั้นท่านก็ตกใจค่ะไม่นึกว่าเรื่องที่สมมเนนพูดนี่มันจะเป็นจริงก็เลยรีบมานั่งสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปให้สายตาท่านมองเห็นไฟดวงนั้นลอยไปรอบๆกุฏิค่ะซึ่งเป็นดวงไฟสีแดงๆไม่สว่างมากนะัก ในขณะนั้นท่านก็สวดมนุก็มีอะไรท่านก็สวดทั้งจําได้ทั้งจําไม่ได้สักพักท่านก็ลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นดวงไฟท่านก็นึกว่าดวงไฟเนี่ยมันหายไปแล้วบังเอิญเหลือเกินค่ะว่าที่นอนของท่านเนี่ยที่นอนจําวัดอยู่ตรงนั้นนี่ฮะมันจะเป็นแผ่นสังกสีโปร่งใสของอแสงพระจันทร์สาดส่องลงมาสังกสีมันก็จะเป็นสีแปลกแปท่านก็เลยมองขึ้นไป ภาพที่เห็นก็คือเป็นใบหน้าของผู้หญิงดวงตาสีเขียวเรืองแสงมีเขี้ยวเหมือนกับเสือผมเผภานี่ฟูรุงรังกำลังเอาหน้าแนบแผ่นสังกะสีโปร่งใสขณะนั้นพระอาจารย์เองท่านก็ช็อกนะฮะทำอะไรไม่ถูกได้แต่หลับตาขณะที่นั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆบทสวดมนต์ที่เคยท่องจําได้ท่านหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ท่านได้นอนตัวสั่นหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีกิ่งไม้หรือวัตถุอะไรบางอย่างกําลังลากไปมาบนหลังคาเสียงดังครืดคราด ขิดคาดประมาณสองรอบตอนนั้นพระอาจารย์ท่านก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงของท่านจะเอาวาสตะโกนเป็นภาษาอีสานนะจับใจความได้ว่าใครมันมาทำอะไรเสียงดังตอนดึกๆดื่นๆไปได้แล้วกลับไปหลับไปนอนได้แล้ว หลังจากนั้นเสียงที่กำลังดังอยู่ก็หายไปทันทีพระอาจารย์แล้วก็สา ม, มเณรที่นอนรวมกันอยู่ก็หลับไปจนถึงเช้าค่ะท่านก็ได้กำชับสั ม, มเณรว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรในเรื่องเมื่อคืนเพราะว่าจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นท่านก็เลยสั่งให้เงียบไว้เพราะว่ า, าในขณะที่พระกําลังฉันอาหารหรือว่าพัตทหารอยู่นะคะแต่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านกําลังคุยกันเรื่องผู้หญิง แ, แปลกๆที่เข้ามาในหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นแกรับดูดวง เสริมดวงชะตาอะไรประมาณนี้เข้ามาในหมู่บ้านได้ 2-3 สวันแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยหาตัวแกไม่เจอก็เลยสงสัยว่าน่าจะไปหมู่บ้านอื่นแล้วเรื่องก็มีประมาณนี้แหะครับเพิ่มเติมนะครับเสียงที่ดังครืดคลาดเนี่ยไม่ใช่เสียงกิ่งไม้บริเวณรอบกุฏิวัด เป็นกุฏิสร้างใหม่อยู่กลางที่โล่งแจ้งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกิ่งไม้มาลากบนหลังคาหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็ได้ให้ญาติโยมเอาต้นไผ่ทั้งปลูกบริเวณ ร, บรอบๆกุฏิเลยเรื่องนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะคะขอบพระคุณเสือพรานพระนามว่าระพินไพรวันด้วยนะคะเล่าแล้วก็อัพลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของตัวเองไปที่หน้า Facebook ของตัวเองด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจพระเจอผีเช่นกันค่ะโดยทางด้านของผู้ที่ส่งมาเนี่ยนามสกุลหงทองแต่ว่าบีเองก็ต้องขอสารภาพโดยตรงนะคะว่าอ่านชื่อพี่เขาไม่ออกจริงไม่แน่ใจก็เลยขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอ่านผิดไปก็เดี๋ยวจะโกรธเครื่องบีเปล่าๆนะคะ เรื่องนี้นะคะส่งมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจพระเจอผีบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพจนี้ก่อนนอนทุกคืนชอบมากๆพอดีมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องสั้นๆ2เรื่องอ่ะคือ1วันนั้นสมัยเรียนปตรีประมาณ3อ่ะปีสพอดี แม่ของเพื่อนนี้เสียชีวิตที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอสวนพึ่งระหว่างที่ไปกันนั้นเนี่ยก็ออกจากจังหวัดสุพรรณประมาณบ่ายสองกะว่าไปถึงก็คงจะพอดีฟังพระสวดแล้วก็กลับกันคืนนั้นเลย แต่มันก็เกิดเหตุที่ว่าระหว่างทางไปนั้นเนี่ยเกิดหลงทางค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าเราเอารถกันไป3ามทานมีเพื่อนไปคนละคันประมาณ5คนก็เป็นตัวแทนของรุ่นที่ไปกันพอรถเราหลงทางไปบ้านงานไม่เจอก็เลยเสียเวลาเดินทางกว่าจะมาถึงบ้านงานก็พอดีแหละพระสวดจบทุกคนก็เลยได้แค่ลงไปจุดทูบบอกกับแม่เท่านั้นเพื่อนก็บอกว่าให้พักรถทานข้าวทานปลาจนเรียบร้อยแล้วก็จะขอตัวกลับที่สุพรรณกันเลยระหว่างทางที่กลับนั้น ก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่ า, วานะคะสองข้างทางเนี่ยเป็นที่มืดสนิทเพราะว่ารถเราสามคันก็วิ่งผ่านความมืดมากลางเขาตอนนั้นรถที่ผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะแฟนเพจเจ้าของเรื่องนี้เนี่ย อยู่ก็มีอยู่ห้าคนโดยทางด้านของเจ้าของเรื่องนี้นั่งอยู่เบาะหลงังริมหน้าต่างฝั่งคนขับระหว่างทางก็คุยกันมาตลอดหัวเราะ ก, กันตลอดแต่ว่าสักพักหนึ่งพอรถเข้าช่วงที่มืดสนิทหูก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกทีแรกเนี่ยคิดว่าหูแว่วก็เลยไม่มีใครพูดอะไรก็ผ่านไปแต่ว่าอึดใจเดียวก็เคาะ อ, อีกค่ะคราวนี้เคาะดังจนเพื่อนทางรถได้ยินก็เลยหันมองกันแล้วก็เงียบตลอดทางจากสวนพึ่งถึงสุพรรณ พอมาถึงสุพรรณก็แยกย้ายไม่ได้คุยอะไรกันจนถึงเช้า จนถึงเวลาเช้านะคะก็เลยได้มาเรียนกันตามปกติค่ะก็เลยเล่าให้เพื่อนที่ขับรถตามเนี่ยฟังบอกว่าโดนผีหลอกเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเห็นว่ามีคนวิ่งมาเกาะข้างรถที่นั่งเกาะ อ, อยู่สักพักหนึ่งก็หายไปแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเช่าหอห ม, ม่าอยู่กับเพื่อนแต่คืนหนึ่งเพื่อนไม่อยู่ก็เลยหลับอยู่คนเดียวฝันไปว่ามีผู้หญิงคนนึงมาหาที่บ้านแล้วก็ถามว่าผมเนี่ยเป็นใครมาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งมาตบหน้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาหูเจ็บไป ทางหน้าแถบหนึงจริงๆอะถ้ามีโอกาสนะพิมพ์เรื่องผีตบหน้ามาอีกรอบหนึ่งละกันขอบแบบฉบับเต็มๆนะคะเพราะว่ามาแค3่3บรรทัดเองอะ่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่รอฟังอยู่เขาจะเสียความรู้สึกโอ้โหทาไมมาทั้งทีทำไมม า, มมานิดเดียวเองอะไรประมาณนี้ขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับแฟนเพจที่ส่งเรื่องราวน่ากลั ว, น, ลวน่ากลัวแบบนี้มาเล่าให้เราได้ฟังเพื่อที่จะให้บีได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน YouTube ค่ะ วันนี้มีเรื่องเล่าจากทางบ้านมาค่อนข้างจะหลายเรื่องเหมือนกันนะคะต่อกันที่เรื่องของคุณเอกรัฐหอมหวนค่ะเล่าจากประสบการณ์คำบางคำอาจจะเขียนผิดก็ให้อดินมาอ่านเองก็แล้วกัน ขอบพระคุณมากค่ะที่ทำให้ชีวิตของบีเองง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวอ่ะเข้าเรื่องค่ะขอเล่าประสบการณ์เลยละกันนะคะตอนประมาณต้นปี 5-2 คุณเอกการ์เนี่ยบอกว่ากลับบ้านที่จังหวัดเยะโสธรเพื่อเกณฑ์ทหารเพราะว่าอายุครบ21ปีบริบูรณ์นะคะพอจับใบดำใบแดงเรียบร้อยตกเย็นก็เลยอาชโลงเชียร์กันตามระษาค่ะโดยไปกินที่ทุ่งนาของเพื่อนประมาณ67คนก็มี มีคุณเอกรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณชิดคุณเปาะคุณเหมนะคะแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนก็ตกกันประมาณสองทุ่ ม, มก็เลิกวงกันเพราะว่าเถียงนาเป็นเถียงนาของเพื่อนก็เกรงใจคนนอนนานแถวนั้นก็เลยเลิกนะค ะ, ะเลิกกินกันเลิกอะไรกันประมาณนี้ทีนี้เนี่ยก็เลยไปหาที่ใหม่คนมันคนมันมันเยอะอะเนาะเหล้าสองขวดมันก็เลยทําให้ไม่พอมันยังไม่เมาไง ยังเมาไม่มากก็เลยหาที่กินใหม่ก็ให้เพื่อนเนี่ยขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาซื้อเหล้าทีนี้พอออกมาจากเถียงนาของเปราะนะคะแต่ว่าเปราะไม่ต้องนอนเฝ้าเถียงนาซื้อเหล้าอะไรมาเรียบร้อยรถมอเตอร์ไซค์2คัน6กคนก็แสดงว่า2อคันหกซ้อนสากันเลยทีเดียวแบบนี้อันตรายนะคะตีนิดนึงต้องซ้อนสี่นะคะปลอดภัยดีอยอกเล่นมาต่อกันค่ะ ก็เลยปรึกษากันว่าจะไปต่อที่ไหนก็เลยถามหาว่าทุ่งนาใครก็ไม่มีใครว่าเพราะว่ามีแต่คนแก่นอนนากันหมดก็เหลือที่เดียวก็คือหนองผือค่ะหนองผือเนี่ยจะเป็นสะหลวงมีเถียงนาของเพื่อนอยู่แต่ว่าไม่มีใครนอนแต่เพื่อนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่มานะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาของพวกเราคุณเอกราชบอกพวกเราไปได้ขอให้มีที่ก็พอแล้วนะะเพราะว่าเคยไปกินหลายทีแล้วแต่น้องผือ กับป่าช้าบ้านผมอยู่ติดกันผมว่าจะไม่ไปแต่เสียงส่วนมากว่าไปก็เลยตกลงตามนั้นขี่รถกันไปอะทุกอย่างปกติแต่ถึงที่หมายเนี่ยงองแงพอใกล้ถึงที่หมายเนี่ยงองแงไม่อยากไปเพราะว่ากลัวผีรถ2คันเนี่ยก็จอดอยู่กลางทางที่เป็นทางทรายนะคะเหมือนถนนทางเกวียนสมัยก่อนตกลงอีกครั้งว่าคุณเอกรัทเนี่ยไม่กล้าคือยังไม่มีใครเมานะตอนนั้นตกลงกันใหม่ว่า ไปกินกลางถนนสามแยกก่อนเข้าหมู่บ้านดีไหมคันแรกก็เลยโอเคนำก่อนคันที่2ก็คุณเอกกรัฐอยู่คันที่2นะคะคุณเหมเป็นคนขับคุณอเอกรัฐนั่งกลางคุณชิดนั่งท้าย มาถึงครึ่งทางค่ะตรงทางโคง้งได้กลิ่นเหม็นเน่ามาและแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไอ้เหหมคนขับทะลึ่งหกมู๊ยเหม็นหาอะไรวะก็เลยด่าไปค่ะบอกว่าพูดอะไรมีหน้าที่ขับก็ขับไปพร้อมกับเคกมาเง ก, กทีหนึง่งส่วนไอ้ชิดคนนั่งข้างข้างหลังเนี่ยเงียบสนิทเชียวบิดมาสักพักหนึ่งก็บอกเหหมก็รู้นะมึงจะพูดอะไรแต่ถึงที่มึงค่อยพูดไอ้เหมมันก็พอรู้ว่าหมายถึงอะไรพอถึงที่หมายคันแรกจอดรอตั้งนาน คันของคุณเอกรัตเนี่ยนะคะหรือว่าคุณแดงเนี่ยนะคะพอมาถึงคําแรกเลยที่พูดกันคือพวกมึงผ่านโค้งได้กลิ่นเหม็นหรือเปล่าวะพวกทั้งพวกพวกเพื่อนๆทั้ง3คนนี่บอกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยก็เลยบอกเอา้าถามจริงเฮมคนขับว่าได้กลิ่นไหมเขาก็ตอบว่าได้กลิ่นแต่ไม่ได้เห็นอะไรทีนี้คุณเอกรัตก็เลยพูดบ้างบอกกูก็เหม็นแต่กูเห็นด้วยหางตาเพราะว่าไม่กล้าหันมองมันเหมือนมีคนยืน คุณชิดค่ะซ้อนถ้ายพูดขึ้นมาบ้างบอกกูก็เหม็นแต่กูเห็นเต็มๆคนยืนแต่ไม่มีหัวสรุปขึ้นนั้นบ้านใครบ้านมันค่ะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกล่าใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนคุณเอกรัฐหอมหวนการันตีแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเจอกับตัวทุกวันนี้นีคะคุณชิดทํางานที่เดียวกันกับคุณเหอ่ากับคุณแดงนะคะก่อนส่งเรื่องมาเนี่ยก็ถามอีกทีนึงว่าเห็นจริงไหมก็เลยตอบว่าจริง คุณเอกรัฐทิ้งท้ายมานิดนึงนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนเล่าเรื่องจะเห็นแค่หางตาแต่ผมก็รู้ว่ามีมีคนยืนอยู่ข้างทางที่เป็นรั้วต้นไม้นี่นะคะแล้วก็คุณชิดเองก็เห็นเต็มสองตาด้วยแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่เมาเลยสักคนหนึ่งครับอขอบพระคุณคุณเอกรัฐหอมหวนด้วยนะคะก็มีบทสนทนาคุยกันบอกว่าถ้าแอดปีรู้จักบ้านโคกสว่างกับบ้านห้วยคอก็จะรู้นะว่าโค้งนี้อยู่ที่ไหน กำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าโค้งตรงไหนหว่ะอ๋อโค้งผีบ้านเองถ้าคุณผู้ฟังอยู่แถวนั้นน่าจะรู้นะคะว่าโค้งอะไรนะคะต้องเป็นคนที่อยู่บ้านโคกสวรร่างบ้านห้วยคอจะเป็นป่ายูคาลิปตัสนิดหนึ่งนะคะ หมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจ a c e b o o k พระเจอผีด้วยนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะบีเองก็จะมีเรื่องเล่าจากแฟนเพจเอามาทยอยอัพลงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์คลิปให้กับเราด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ